เรื่องทรงห้ามกุลบุตรอายุย่อนกว่า20ปีอุปสมบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสัง่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุรู้อยู่ก็ยังให้บุคคลอายุย่อนกว่า20ปีอุปสมบทจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า ภิกษุทั้งหลายฉนัยโมฆะบุรุษเหล่านั้นรู้อยู่แต่ก็ยังให้บุคคลอายุหย่อนกว่า20ปีอุปสมบทเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีอายุหย่อนกว่า20ปียังไม่อดทนไม่อดกลั้นต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานคำกล่าวร้ายคำฟังแล้วไม่ดี ความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์แสนสาหัสรุนแรงเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแทบจะฆ่าชีวิตภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีอายุครบ20ปีจึงจะอดทนอดกลั้นต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานคำกล่าวร้ายคาที่ฟังแล้วไม่ดี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 ภิกษุรู้อยู่ไม่พึงให้บุคคลผู้มีอายุยืนกว่า20ปีอุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทพึงปรับอาบัติตามธรรม